สวากาโตภกวตาธรรมโมธรรมะอันประภูมิประภาคเจ้ารัดดีแล้วสันดิธิโกอันภูปฏิบัติภูได้บรรลุพึงเห็นเองอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาเอหิปติโกควรเรียก ให้มันดูโอปัณญิโกหุนนอบเข้ามาปัจจัังเวดิตบโบวินยูฮิอันวินยูคือผู้รู้เพึ่งรู้เฉพาะตนอันวินยูคือผู้รู้นั่นก็คือรู้ด้วยสติและปัญญาอันเกิดจากการปฏิบัติ อบรมสติและปัญญาให้บังเกิดขึ้นอาศัยปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสงสอนไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรและแม้ว่าจะมีหมวดข้อ แห่งธรรมะเป็นอันมากแต่ก็เป็นไปตามพุทธภาสิติกั่ไว้ว่าเอกายโนมักโดเป็นทางที่ต่อเนื่องกันเป็นอันเดียวกันพูดสั้นมาเป็นทางเดียวกันและแม้ว่าในการแสดง ซึ่งเป็นปริยัติจะต้องแสดงยกขึ้นแสดงข้อใดข้อหนึ่งแยกแยะออกไปซึ่งเป็นการจำแนกแยกท่ทาดังที่รูกได้เจ้าได้ทรงจำแนกเอาไว้ซึ่งดูเป็นการจำแนกออกไปให้มากข้อ อาจเห็นว่าเป็นการแยกต่อการจดจำเป็นการยากต่อการจดจำยากต่อการปฏิบัติทำให้เกิดความลังเลสงสัยหรือไข้เขวๆนี้ก็เป็นธรรมดาของบริยัตคือคำสั่งสอนซึ่งเป็นการจำแนแกแจกธรรม ดังในพระพุทธคุณบทว่าภกระวะซึ่งมีความหมายอย่างหนึ่งว่าผู้จำแนกแจกธรรมสั่งสอนประชุมชนเมื่อเป็นวาจาออกมาอันจะฟังได้ทางหูอาศัยโสตประสาทหรือแม้ในภายหลังนี้เป็นหนังสือขึ้นมา อ่านได้ทางตาจะคู่ประสาทก็ชื่อว่าเป็นปริยัติทั้งนั้นซึ่งรวมอยู่ในสัตจธรรมสามข้อแรกคือปริยัติสัตจธรรมอันนับว่าเป็นหลักสำคัญในเบื้องตน้นแต่ว่าเมื่อจับปฏิบัติ ตามที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสั่งสอนไว้โดยลำดับดังในมหาสติปัฏฐานสูตรอันเริ่มด้วยอานาปานาพัพภะคอวาด้วยลมให้ใจเข้าออกในหมดกายานุปัสสนา ก็ให้ปฏิบัติไปตามที่ทรงสั่งสอนไว้นั่นหลังที่ตรัสสอนไว้ว่าให้ไปสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างนั่งตั้งกายตรงขัดบันลังคือนั่งขัดสมาธิหรือขัดสมาธิดำรงสติจมเพาะหน้า ให้ใจเข้าก็าให้รู้ให้ใจ อ, ออกออกก็ให้รู้ดังนี้เป็นต้นซึ่งพระอาจารย์ได้แสดงแนวปฏิบัติในข้อนี้ไว้เป็นการอธิบายพระพุทธพจน์โดยตรงกันหลายวิธี แต่เมื่อรวมเข้ามาแล้วก็เพื่อให้จิตรวมเข้ามากำหนดอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกดังที่ได้ตรัสสอนเอาไว้เป็นหลักในการปฏิบัติไว้ว่ามีสติกำหนดรู้ภายในภายนอก ทั้งภายในในทั้งภายในทั้งภายนอกมีกำหนดมีสติกําหนดรู้ว่ามีเกิดเป็นธรรมดามีเสื่อมดับไปเป็นธรรมดามีทั้งเกิดทั้งเสื่อมดับไปเป็นธรรมดาในข้อนั้นๆเช่นในข้อตน คือกำหนดลมให้ใจเข้าออกนี่คอยมีสติกำหนดรู้ดังกล่าวในลมให้ใจเข้าในลมไม่ใจออกหรือว่าตั้งสติกำหนดว่าข้อนั้นข้อนั้นมีอยู่เช่นในข้อดังกล่าวนี้ก็ตั้งสติกำหนดรู้ว่า ลมให้ใจเข้ามีอยู่ลมให้ใจออกมีอยู่เพื่อสักแต่ว่ารู้หรือเพียงเพื่อรู้เพื่อเพียงว่าเป็นที่ตั้งสติโดยไม่ติดอยู่ด้วยความยินดียินร้ายหรือประกอบด้วยความยินดียินร้ายไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกดังนี้ ทุกๆข้อเมื่อปฏิบัติดังกล่าวนี้ก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติทมสติคือความกําหนดรู้ทำให้จิตสงบสงัดจากกามเป็นต้นว่ความยินดีความยินร้ายพร้อมท้งอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของความยินดียินร้ายทั้งหลายซึ่งก็รวมเข้า ในกายเวทนาจิตธรรมเหล่านี้นั่นแหละและเมื่อเป็นดังนี้จิตจึงชื่อว่าเป็นสมาธิคือตั้งมั่นอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมข้อนั้ น, น, นตามแต่ยกขึ้นมา ที่ตั้งของสติและเมื่อเป็นดังนี้จิตจึงคือว่าเป็นสมาธิคือตั้งมั่นอยู่ในตายเวทนาจิตรทำคอนนั้นตามแต่จะยกขึ้นมาเป็นที่ตั้งของสติอันเรียกว่ากรรมฐาน และชื่อวันไดสมถะคือความสงบคือสงบใจจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายเป็นสมาธิเป็นสมถะซึ่งได้ในคําว่าอนุปัสนารู้ตามเห็นตามในคําว่ากายานุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตานุปัสนา มมานุปัสนา ก, ก, ก็คือว่ากายเวทนาจิตธรรมรวมเข้าด้วยอนุปัสนาทุกบทก็คือเห็นตามรู้ตามได้แก่รู้ทันเห็นทันนั่นเองในกายในเวทนาในจิตในธรรมและเมื่อเป็นดังนี้ก็จะทำให้ได้ ปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงในลักษณะที่เป็นไปเองของกายเวทนาจิตธรรมทุงขอก็คือว่าเกิดดับทำให้ด้ปัญญาที่เรียกวาวิปัสสนาคืออนุปัสสนานั่นเองมาเป็นวิปัสนาเห็นแจ้งรู้แจ้งก็ได้ในคำว่ารู้เท่า ในความเกิดดับของอะไรอะไรทุกอย่างในโลกซึ่งอะไรอะไรทุกอย่างในโลกนั้นก็รวมเข้าในกายในเวทนาในจิตในธรรมนี่แหละทุกอย่างเกิดทุกอย่างนั้นก็ดับเป็นไปอยู่ซึ่งเป็นลักษณะของอะไรอะไรในโลกนั้นเองต้องเกิดต้องดับไม่มีอะไรอะไรในโลกที่ไม่เกิดไม่ดับ เพราะฉะนั้นเมื่อรู้ทันอะไรอะไรในโลกก็ชื่อว่ารู้ทันโลกเมื่อรู้เท่าอะไรอะไรในโลกก็ชื่อว่ารู้เท่าโลกการที่จะรู้จากโลกก็คือรู้อะไรอะไรในโลกนั่นเองคำว่าอะไรอะไรนั่นก็หมายความว่าทุกอย่างในโลก ชื่อว่าอ ะ, อะไรในโลกทั้งหมดและเมื่อรู้ดังนี้ก็ชื่อว่ารู้จักโลกก็คือรู้จักอะไรอะไรในโลกนั่นเองและจะชื่อว่ารู้จักโลกนั้นก็คือว่าจะต้องรู้ทันโลกรู้เท่าโลกรู้ทันก็คือว่าต้องได้วิรู้ปัสฉนารู้ตามเห็นตามเหมือนอย่างว่า จะเดินตามใครก็ตามจะวิ่งตามใครก็ตามก็ต้องการที่จะให้เดินตามทันหรือวิ่งตามทันใครๆนั้นและเมื่อวิ่งตามทันหรือเดินตามทันก็เป็นอันว่าทันกันทำไมแค่นั้นก็ไม่ทันกันและเมื่อทันกันแล้วจึงเป็นอันว่าได้ มาถึงเท่ากันเสมอกันเพราะฉะนั้นอนุปัสนาคือเห็นตามก็คือเห็นทันวิปัสนาคือเห็นแจ้งรู้แจ้งก็คือว่ารู้เท่าเมื่อรู้เท่าดังนี้จึงจะแจ้งหรือว่าแจมแจ้งอยู่ในสิ่งที่รู้นั้นเมื่อรู้ทัน อันเป็นมีปรัสนาจึงจะเป็นอันว่าได้ทันกันทั้งภายในทั้งภายนอกทาไมเช่นนั้นก็เป็นอันว่าไม่ทันเมื่อทันกันทั้งภายในทั้งภายนอกของสิ่งนั้นจึงเป็นอันว่าทันกันเพราะฉะนั้นอนุปรัสนาจึงต้องเห็นตามรู้ตามทั้งภายในทั้งภายนอก ภายในภายนอกของสิ่งนั้นๆเองที่เป็นประโยชน์และวิปัสสนาเห็นแจ้งรู้แจ้งนั่งเป็นรู้เท่าก็คือรู้เท่าถึงลักษณะที่เป็นประโยชน์ของสิ่งนั้นๆคือเกิดดับคือสิ่งนั้นนั่นมีลักษณะเป็นประโยชน์เท่าใหก็รู้เท่านั้น ไม่รู้หย่อนไปกว่านั้นไม่รู้เกินไปกว่านั้นและอะไรๆในโลกนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดที่ดับซึ่งเป็นการกล่าวโดยสรุปเกิดดับหัวท้ายหัวก็เกิดท้ายก็ดับแต่เมื่อแสดงโดยพิสดารออกไปอีกก็แถมตั้งอยู่ซึ่งอยู่ขลงกลางคือก่อนจะดับก็ตั้งอยู่ซึ่งตั้งอยู่นี่ก็ตั้งอยู่ เร็วบ้างช้าบ้างและในข้อที่ว่าเร็วหรือช้านี่ก็แสดงได้ถึงภาวะของสิ่งนั้นเองที่เราที่เร็วหรือชา้ารือแสดงถึงความที่สามารถต่อเนื่องกันไปได้เร็วหรือชา้าคือในเนื้อแท้ ความตั้งอยู่นั่นชั่วขณะเดียวแล้วก็เกิดแล้วก็ดับไปซึ่งความตั้งอยู่ขณะเดียวนี่ของจิตกับของกายของจิตย่มเร็วของกายซึ่งเป็นภาวะที่ตั้งอยู่จริงๆแต่แม้เช่นนั้นก็ไม่ช้ามากเพราะฉะนั้นเมื่อแสดงอย่างละเอียดแล้ว เกิดดับจึงมีอยู่ทุกขณะของอะไรอะไรในโลกโดยเฉพาะของร่างกายอันประกอบด้วยจิตใจและชีวิตนี้หรือว่าของนา ม, มารูปนี้ของเบญจขันนี้ของกายใจนี้ย่อมเกิดดับอยู่ทุกขณะโดยละเอียดและบางอย่าง ย่อมมีอาการที่แสดงให้เห็นได้ว่าเป็นเช่นนั้นแม่ของกายเองเช่นความตั้งอยู่ของอวัยวะที่ละเอียดมากในร่างกายนี้เช่นสมองต้องอาศัยมีโลหิตเข้าไปหล่อเลี้ยงอยู่ทุกขณะแต่หักว่าเกิดเส้นโลหิตอุดตันเพียง ระยะสั้นสมองก็เสียไปแล้วนี่แสดงว่าแม้อาอยุวะทางร่างกายที่ละเอียดนั้นก็เกิดดับอยู่แต่อาศัยที่มีเครื่องหล่อเลี้ยงเข้าไปต่อเนื่องกันนี่แหละเรื่องวัสันาติซึ่งทำให้เห็นเป็นยาวดังชีวิตของทุกๆุกคนนี่ ทั้งส่วนกายทั้งส่วนใจก็เกิดดับหรือรวมว่าเวทนาจิตธรรมทั้งสี่นี้ก็เกิดดับอยู่ทุกขณะแต่อาศัยที่มีสันติคือความสืบต่อยึงได้ยาวตั้งแต่เธอกาหนิดเกิดขึ้นมาจนถึงจะสิ้นสันติคือความสืบต่อยึงดับสลายไปในที่สุด จึงทำให้อายุของชีวิตนี้ต่างๆกันสร้งบางยาวบ้างและยาวนั้นก็ไปจนถึงสิบสิบปีเจ็ดสิบปีแปดสิบปีเก้าสิบปีหรือถึงร้อยปีเกินไปก็ น, น้อยก็สิ้นสนติก็ดับกันในที่สุดเพราะฉะนั้นวิัพสนานั้นก็คือพิจารณาให้เห็นเกิดดับ เป็นอันให้รู้เท่าของอะไรอะไรในโลกหรือว่าของกายเวทนาอิทธิธรรมอะไรอะไรในโลกคือทั้งหมดในโลกหรือวันโลกทั้งหมดเป็นสิ่งที่เกิดดับดังนี้เป็นมีปรัสนาซึ่งเมื่อปฏิบัติในสีประธานตามเอกาญานมคือทางไปอันเอกทางไปอันเดียว ที่พระพุทธญาตนสอนเอาไว้ให้ถูกต้องแล้วก็จะทำให้ได้สมาธิได้สมถะสืบไปจนถึงได้ปัญญาและมีปัศ ส, สนาซึ่งเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หมดจด จา ก, กิเลสในกองทุกข์ก้าล่วงโสกปริเทวะคือความโศกความรันจวนรั้นครูนความรันจวนคร่ำครูนใจดับทุกโทมนัตบรรลุญาณธรรมคือธรรมะที่พึงบรรลุ ทำให้แจ้งนิพพานดับสิ้นกิเลสและกองทุกในที่สุดก็อาศัยเอากายาตนมัตทางไปอันเหตุคือสติปัฏฐานที่พระมุทิจารัดเอาไวน้นี้และการปฏิบัติในเบื้องต้นนั้นก็อาศัยการปฏิบัติไปตามบทที่ทรงสั่งสอนนั่นแหละ สุดแต่จะเลือกเอาข้อใดข้อหนึ่งโดยไม่ต้องไปลังเลสงสัยหรือไปคิดสับสนเอาเองและเมื่อปฏิบัติไปตามทางแล้วก็จะได้สติที่ไปในกายในเวทนาในจิตในธรรมรวมกันอยู่แห่งเดียวกันติดต่อไปได้กัน เพราะว่ากายนี้ก็มีเวทนามีจิตมีธรรมประกอบอยู่เวทนานี้เล่าก็มีกายมีจิตมีธรรมประกอบอยู่จิตนี้เล่าก็มีกายมีเวทนามีธรรมประกอบอยู่ธรรมนี้เล่าก็มีกายมีเวทนามีจิตประกอบอยู่เป็นก้อนเดียวกันในการปฏิบัตินั้น เพียงแต่ว่ายกขึ้นมาจะเพาะส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อเป็นที่ตั้งของสติและเมื่อสติตั้งขึ้นได้แล้วสติกำหนดรู้กายแล้วก็ย่อมจะรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมแม้ในข้ออื่นก็เช่นเดียวกันแต่ว่าการปฏิบัติในเบื้องต้นนั้น มาจับทั้งแต่ข้อากายย่อมสะดวกหลังไม่เคยกล่าวมาแล้วและย่อมเป็นเหตุเป็นผลที่ส่งเสริมกันไปด้วยจ่อพึงกล่าวเลยว่ากายก็ปรุงเวทนาเวทนาก็ปรุงจิตจิตก็ปรุงธรรมหรืออีกอย่างหนึง่งเวทนานั่นเองก็ปรุงกายปรุงจิตปรุงธรรมจิตนั่นเองก็ปรุง กายปรุงเวทนาปรุงธรรมธรรมะนั่นเองก็ปรุงกายเวทนาจิตอาศสายซึ่งกันและกันเป็นไปอยู่คือสี่ข้อนี้อิงกันอยู่เป็นชีวิตร่างกายอันนี้และเมื่อทำสติและทำปัญญาให้รู้เท่า ให้รู้ทันรู้เท่าดังที่กล่าวมาคือให้เป็นอนุปัสนาและเป็นวิปัสนาตามที่กล่าวมา <c oughs> ก็ยอมเป็นการปฏิบัติที่สงเคราะห์คนในพจนชงทั้งเจ็ดนั่นเองคือเป็นสติสัมโพชงเป็นธรรมวิจยะสัมโพชงเป็นวิริยะสัมโพชงซึ่งเป็นหลักในการปฏิบัติ แล้วก็สือจะสืบต่อขึ้นไปเองคือเมื่อได้สมัมโพชงสามข้อนนี้ก็ย่อมจะได้ปิติสมัมโพชงปัตสติสมัมโพชงสมาธิสมัมโพชงแล้วเบกขาสามัมโพชงขึ้นไปโดยลำดำับอันจะต่อไปให้ถึงยันในอริยสัจทั้งสี่ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ เป็นโหมดสุดท้ายในมหาศิบฐานสุดนี้และตามที่จัดกำแนกเอาไว้เช่นในข้อนิวรณที่จัดสอนให้ตั้งสติกำหนดรู้นิวรณ์ที่มันเกิดขึ้นในจิตพร้อมทั้งให้รู้ว่านิวรณเกิดขึ้นด้วยประการใด ดับไปด้วยประการใดก็ตอบได้โดยสังเขปในทางปฏิบัติว่ายีบอลเกิดขึ้นก็เพราะว่าไม่มีสติที่รู้ทันไม่มีวิปัสสนาที่รู้เท่ายีบอลก็เกิดขึ้นนีบอลจะดับไปอย่างไรก็คือดับไปด้วยมีสติ ที่รู้ทันมีปัญญาที่รู้เท่าและที่ดับไปแล้วละไปแล้วจะไม่บังเกิดขึ้นอีกได้โดยประการใดก็โดยการที่มีสติและปัญญาดังกล่าวนี้หรือมีอนุปัสนามีวิปัสนาดังที่กล่าวอย่างสมบูรณ์ เป็นอกุปธรรมธรรมะที่ไม่กำเริบคือเป็นมรรคเป็นผลที่เป็นอริยมรรคอริยผลนั่นก็ทำให้มีวานที่ละแล้วไม่เกิดขึ้นอีกได้แม้ในข้อโคดชงนั้นเองก็เหมือนกันในข้ออาจตนะที่แสดงถึงสังโยชน์ก็เหมือนกันคือสังโยชน์นั้น ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดก็ด้วยประการที่ไม่มีสติไม่มีปรรัญญาขาดสติขาดปรราัญญาจะละโดยประการใดก็ละด้วยสติด้วยปรรยัญญาแต่ที่ละไปแล้วจะไม่บังเกิดขึ้นอีกได้โดยประการใดก็ด้วยประการที่มีสติมีปัญญาที่เป็นมรรคผลที่เป็นอกุปธรรมธรรมะที่ไม่กำเริบในโพชงก็เหมือนกันโพชงที่ ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดกด้วยประการที่มีสติมีปัญญาและที่เกิดขึ้นแล้วจะไม่ดับไปด้วยประการไหนก็เลยการที่มีสติปัญญาที่เป็นบัคผลอันเป็นอากบปธรรมธรรมะที่ไม่กำเริบก็เป็นเหตุผลที่อิงกันอยู่ดังนี้อย่างง่ายๆในทางปฏิบัติซึ่งเข้าใจได้ง่าย ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูวหและตั้งใจ่ำความสงบสืกต่อไป